จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบุตรสับอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่24ธันวาคมพุทธศักราช2552เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือนยี่เป็นวันพระ วันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบุตสัตว์ผู้มีศรทัทธาที่แน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพระศาสนาซึ่งมีอยู่สองประการด้วยกันภา ร, รกิจหรือธุระของทางศาสนานี้ ได้แต่หนึ่งคันธุทุระสองวิปัสนาทุระนี่คือทุระของชาวพุทธเราที่เราควรที่จะทำให้ได้มากขึ้นไปตามลำดับเพราะจะนำผลอันดีอันประเสริฐ มาให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราคันธุระแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสสนาธุระแปลว่าการทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรืองต้นเราต้องศึกษาก่อน เพราะเราก็เป็นเหมือนกับกระดาษเปล่าๆใบหนึ่งเวลาเราดูกระดาษเปล่าๆเราจะไม่เห็นอะไรไม่เกิดความรู้เราก็ต้องอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้ามาใส่เข้าไปในกระดาษคือใส่เข้ามาในใจของเราใจของเราตอนนี้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่มีความรู้ที่จะ พัฒนาชีวิตจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้เราจรึงต้องศึกษาเพื่อจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีอะไรที่ดีๆรอเราอยู่และเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รับสิ่งที่ดีๆที่รอเราอยู่ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นเหมือนภาชนะที่จะรองรับอาหารอันโอชะถ้ามีอาหารอันโอชะแต่ไม่มีภาชนะไว้รองรับเราก็ไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารนั้นได้ไม่มีจานเวลาเขาตักอาหารให้เรามีแต่มือเปล่าๆอาหารก็ร้อน ถ้าตักสายมือเราเดียเด๋ยวก็ไหม้เดี๋ยวก็ไหม้มือเราลวกมือเราเราไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารอันเลิศอนโอชะนั้นได้ถ้าเราไม่มีภาชนะเช่นจานหรือชามภาชนะที่จะรองรับจานหรือชามหรือรองรับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็คือชีวิตของมนุษย์นี่เอง ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วจะไม่สามารถรับธรรมะครสอนของพระพุทธเจ้าได้ยกเว้นในกรณีพิเศษท่นั้นเช่นพวกเทพบางพวกที่สามารถฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระ อ, อารานตสาวกบางองค์บางรูปได้พระที่มีอภินยา พระที่สามารถติดต่อกับเทพได้ถึงจะสามารถอบรมสั่งสอนธรรมะให้แก่เทวดาได้ถ้าพระไม่มีอภินยาก็จะไม่สามารถสั่งสอนได้แต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์พระที่ไม่มีอภินยาก็สามารถสอนมนุษย์ได้สอนมนุษย์ทั่วๆไปได้ ถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นมาเกิดเป็นสุนัขมาอยู่ที่วัดนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระศาสนาเพราะเป็นเหมือนกับไม่มีภาชนะไม่มีถ้วยไม่มีชามไม่มีจานไว้รองรับอาหารอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจา้าดังนั้นเราจึงควรจะมีความ ภูมิใจหรือดีใจที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะได้มีภาชนะที่จะได้รับอาหารอันโอชะที่เป็นรสที่เหนือชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงพวกเราเมื่อมีภาชนะแล้วสิ่งที่เราควรจะมีต่อไปก็คือควรจะมี ฉันทะความยินดีในธรรมความยินดีในธรรมนี้ชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีในธรรมนี้จะทำให้เราได้ธรรมะที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในทั้งโลกถ้าเรามีความยินดีในกามเช่นกามฉันทะเราก็จะได้ความสุขทางกามทางตาหูจหมูกลิ้นกาย แต่เป็นความสุขที่คุกเข้าไปด้วยความทุกข์ทรมานใจเวลาที่อยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผโภพะธก็จะมีอาการทุรนทุรายเหมือนกับคนติดยาเสพติดที่อยู่ห่างไกลจากยาเสพติดหรือคนที่ติดบุหรี่แล้วยอยู่ห่างไกลจากบุหรี่คนติดเหล้าอยู่ห่างไกลจากเหล้า จะทุกข์ทรมานใจเขาจะมีความสุขเพียงในขณะที่เขาได้อยู่ใกล้ได้เส็ได้สัมผัสสุรายาเมาบุรีหรือยาเสพติดทั้งหลายเท่านั้นแต่ความสุขทันทันนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรขอให้มีความสงบใจเท่านั้นเอง ก็จะได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาลวกทั้งหลายได้พบกันได้มีไว้ครอบครองเป็นสมบัติไปชั่วการละนานเพราะเป็นสมบัติที่ไม่เสื่อมไปหมดไปเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไปหมดไปเหมือนกับความสุขทางการ ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะ ย, ยินดีในการ อ, อย่านั่งคุยกันนะถ้าจะนั่งคุยกันก็ขอความกรุณาออกไปนั่งคุยกันข้างนอกเพื่อจะได้ไม่รบกวนผู้อื่นที่เขานั่งฟังอยู่การฟังธรรมนี้เป็นต้องมีมารายาทคือต้องรู้จักการลเทสะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรวัดนี้ไม่เหมือนวัดทั่วๆไป ที่พูดคุยกันได้เวลาที่แสดงธรรมกันหรือเวลาที่พระสวดมนต์กันวันนี้ทุกคนที่มานี่ทราบกันดีว่าเวลาแสดงธรรมนั้นถ้าอยากจะคุยกันก็ออกไปคุยกันข้างนอกไม่ห้ามไม่ว่ากันคุยได้จะคุยทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ห้ามกันแต่ในขณะที่มีการแสดงธรรมนี้ควรจะมีศีล ศีลก็คือความสงบกายความสงบวาจาเพราะถ้าไม่มีศีลแล้วจะไม่สามารถรองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศีล น, นี่ก็เป็นเหมือนภาชนะอีกอย่างหนึ่งนอกจากศีลแล้วก็ยังต้องมีสมาธิด้วยคือนอกจากสงบกายสงบวาจาแล้วก็ต้องสงบใจด้วยใจต้องนิ่งสงบ เป็นสมาธิไม่คิดสายแสไปกับเรื่องราวต่างๆถ้าคิดไปถึงแม้จะนั่งเฉยๆไม่พูดอะไรแต่ใจ ย, ยังอดที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้การฟังธรรมก็จะเป็นเหมือนทับทีในหม้ อ, อกแกงคือจะไม่รู้เรื่องของของธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเลยเหมือนกับทับพทีที่จะไม่รู้รสชาติของแกงเลย ถ้าปีต่อให้อยู่ในแกงอยู่ในหม้อแกงเป็นเป็นวันเป็นปีก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากรสชาติของแกงการฟังธรรมโดยที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นปัจจัยหนุนรับก็จะทําให้การฟังธรรมนี้ไม่เกิดอนิสงส์ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้อยู่ห้าประการด้วยกันคือ จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองจะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วถ้าได้ยินได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปสามจะขจัดความลังเลสงสัยได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและห้าทำให้จิตใจผ่องใส มีความสนุกมีความสุ ข, สขถ้าฟังด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสติรับรองได้ว่าจะได้รับอนิสงฆ์ทั้งอาปะกานี้อย่างแน่นอนในสมัยพระพุทธการท่านฟังแล้วท่านบรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากจึยาเห็นไม่ความไม่สาคัญของการฟังเทศฟังธรรม พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าการเลนธรรมวศวรังเอตันมังกลรมุตตมังการฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเพราะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วจะไม่มีทางที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นได้เลยจะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจ ให้หมดไปได้เลยจำต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนดังที่ได้พูดไว้นั้นตอนเริ่มต้นว่าขันทะทุระคันทะทุระก็แปลว่าการศึกษาพระธรรมคําสอนการฟังเทศฟังธรรมนี้แหละก็เป็นการศึกษาพระธรรมคําสอนถ้าตั้งใจฟังก็จะรู้มาก ถ้าไม่ตั้งใจฟังก็จะไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับเด็กนักเรียนในห้องเรียนเวลาครูสอนหนังสือให้กับเด็กถ้าเด็กไม่ฟังเด็กคนนั้นจะเรียนไม่เก่งดีไม่ดีอาจจะเรียนตกชั้นด้วยซ้ำไปเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังจึงไม่รู้ความรู้ต่างๆที่ครูอาจารย์พยายามจะถ่ายทอดให้ พอถึงเวลาที่สอบก็จะไม่สามารถสอบผ่านได้เพราะไม่มีความรู้ที่จะตอบคำถาม น, นั่นเองดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นไม่มี ไม่มีถ้าไม่ได้ยินได้ฟังทำแล้วก็จะเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่มีคนนำทางคนตาบอดถ้าไปไหนมาไหนโดยลำพังแล้วจะไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกต้องมีคนนำทางหรือต้องคอยถามทางไปตลอดระยะการศึกษาการได้ยินได้ฟังการทำคาสอนเป็นระยะระยะนี้ก็เป็นเหมือนกับ มีคนนำทางเป็นระยะระยะหรือมีคนบอกทางเป็นระยะระยะถ้ามีคนนำทางมีคนบอกทางคนตาบอด ก, ก็ยังสามารถที่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ที่ปรารถนาได้ฉันใดพวกเราพุทธศาสนิกชนก็เช่นกันคำว่าชาวพุทธนี่ก็หมายถึงผู้ที่ปรารถนาความ หลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองเพราะพ่ะพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนเรื่องอะไรสอนแต่เรื่องการหลุดพน้นจากความทุกข์เท่านั้นไม่ได้สอนให้มาล่อมให้รวยให้มาเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้สอนให้มีความสุขกับสามีกับภรรยากับสอนว่า อยู่กับสามีภรรยานี้กับเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขสู้อยู่คนเดียวได้จะดีกว่าอยู่คนเดียวได้ก็จะไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่ต้องทุกข์กับภรรยาดังนั้นเมื่อเรามาวัดแล้วเวลามีการแสดงธรรมเราก็ควรที่จะมีฉันทะ คือความยินดีดังที่ได้แสดงไว้เมื่อกี้ว่าให้มีฉันทะในธรรมอย่าให้มีในฉันทะในการความยินดีในการนี้เป็นนิวร์เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตจิตใจผู้ที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปขั้นพระอริยจเจ้าได้ย่อต้องกําจัดนิวร์ ที่มีอยู่ถึงห้ า, หาประการด้วยกันการมฉชันทะคือความยินดีในการนี้ก็เป็นหนึ่งของนิวรณและวิธีที่จะกำจัดนิวรณ น, นี้ก็ต้องถือเนธขมมะถือสินเนธขมมะก็คือสินแปดนี้ที่เราเรียกว่าโอโบสดสีนก เมื่อเราถือสินแปแล้วสินข้อที่สามเราก็ต้องเปลี่ยนจากการเมสุนิชาจาราและเว้นจากการ <c oughs> ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นอพรมมจาริยาเวรมณีแปลว่าจะไม่มีการเสพกรรมโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะ กับสามีหรือกับผู้อื่นก็ตามหรือภรรยาก็ตามจะไม่เสกเป็นนัก บ, บวชเหมือนพระนี่เมื่อมาบวชแล้วก็จะไม่เสกกรรมกับผู้ใดแม้แต่เดรัจฉานท่านก็ยังห้ามก็ในสมัยพุทธกาลตอนที่พระองค์ทรงห้ามไม่ให้เสกกรรมกับมนุษย์ก็มีพระบางรูปไปเสกการมกับเดรัจฉาน เมื่อส่งทราบก็ต้องห้ามไม่ให้ไปเสพการกับเดราาัจฉานเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการทำจิตใจให้สงบนั่นเองเนี่ยดังนั้นถ้าเราอยากจะกาจัดการมฉันทะเราก็ต้องสมาทานศูน8แปข้อสารก็เปลี่ยนเป็นอพรรมจริยาไม่หลับนอนกับผู้อื่นแล้วก็เพิ่มข้อ6ข้อ7ข้อ8ขึ้นมา ข้อ6ก็คือละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากทิมวันไปแล้วไม่ต้องการหาความสุขจากลูปรถของอาหารเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการทำให้จิตใจสงบผู้ที่ถือศีลแปนี้ก็ต้องการความสงบ ข, ของจิตใจจึงยอมเสียสละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพ ทางการมารถเพื่อจะหาความสุขทางความสงบของใจข้อที่หนี้ก็คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเชื่อมวันไปแล้วเพราะร่างกายนี้รับประทานจริงๆรับประทานครั้งเดียวก็อยู่ได้รับประทานให้เต็มที่เลยให้แน่นท้องไปเลยก็จะอยู่ได้ถึงย่ิบสชั่วโมงอย่างแน่นอนรับรองได้ว่าไม่ตาย และไม่หิวที่หิวไม่ใช่หิวของร่างกายแต่เป็นความหิวของใจใจนี้มันหิวอยู่ตลอดเวลาต่อให้รับประทานสามมื้อมันก็ยังหิวเลยบางคนสามมื้อแล้วยังต้องมีมือ 4, ม้อที่สี่มื้อที่ห้ามาเสริมอีกนี่ไม่ได้เป็นความต้องการของร่างกายไม่ได้เป็นความหิวของร่างกายแต่เป็นความหิวของใจที่ไม่มีฝังไม่มีฝากว้างใหญ่ไพศาล ยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรมหาสมุทรนี้ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็ยังมีขอบมีเขตแต่ความอยากของใจนี้ไม่มีขอบไม่มีเขตต่อให้กินสักเท่าไหร่ก็จะมียังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจนร่างกายอ้วนกลายเป็นตุ่มไปก็ยังอุดอดที่อยากจะรับประทานอาหารไม่ได้อยากจะกินไปได้ เพราะไม่ได้กินด้วยร่างกายแต่กินด้วยกิเลสตัณหานี่เองพวกเราจึงต้องระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารส่งสอนให้มีรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารเวลารับประทานถ้ารับประทานรู้สึกว่าจะมากเกินไปท่านก็มีวิธีแก้ วิธีหนึ่งก็คือให้เอาอาหารทุกอย่างมารวมกันในภาชนะเดียวกันเช่นในบาตเอาอาหารทุกอย่างใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานหรือผลไม้ต่างๆที่เราจะรับประทานให้เอามารวมกันในภาชนะเดียวกันแล้วก็คลุกมันเข้าไปเพราะว่าไม่นานมันก็จะต้องเข้าไปรวมกันในท้องอยู่ดี อาหารที่เรารับประทานทุกชนิดนี้มันไม่ได้ไปไหนมันลงไปในท้องของเรามันไปรวมกันที่นั่นอาหารขาวอาหารหวานขนมผลไม้ต่างๆมันก็ลงไปรวมกันในท้องเรานั่นเองถ้าเราต้องการจะรับประทานเพื่อร่างกายและต้องการที่จะปราบกิเลสตัณหาเราก็ต้องรวมกันไว้ในภาชนะก่อนแล้วก็คนมันเข้าไปคลุกมันเข้าไป แล้วค่อยตักเข้าไปรับประทานอย่างนี้รับรองได้ว่าจะไม่อยากรับประทานมากจะรับประทานเท่าที่ร่างกายต้องการพอร่างกายรู้สึกอิ่มแล้วก็จะหยุดรับประทาน ท, าทันทีถ้ายังมีความอยากอยู่ท่านก็สอนให้พิจารณาในขณะที่เคี้ยวอาหารให้นึกถึงสภาพของอาหารที่อยู่ในปากที่คลุกกับน้าลายดูว่ามันเป็นอย่างไร ถ้าอยากถ้ามองไม่เห็นก็ให้ใคลายออกมาแล้วตักรับประทานเข้าไปใหม่ดูซิว่าจะละตักเข้าไปได้หรือไม่อาหารที่เราเคี้ยวอยู่ในปากที่เราว่าอาริด อ, อร่อยเหลือเฟือนี้ลองคลายออกมาใส่ไว้ในจานแล้วลองตักเข้าไปในปากใหม่ดูซิว่ามันจะน่ารับประทานอย่างที่เราคิดหรือไม่นี่คือวิธีปากกิเลสปากตันหาถ้าเราไม่ใช้วิธีเหล่าการเหล่านี้ เราจะถูกกิเลสปัญหานี้สร้างความทุกข์สร้างความอยากให้กับเราไม่ลุยจากจบจากสิ้นและเราจะไม่สามารถทำจิตใจของเราให้สงบได้เลยเราจะไม่สามารถรักษาศีลแปดได้เลยเราจะไม่สามารถออกบวชได้เลยถ้าเราไม่สามารถปฏิบัติออกบวชหรือถือศีลแปดได้แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เลย ท่านถึงเรียกว่าเป็นเป็นนิวรนเป็นอุปสรรคกามฉันทะท่านถึงให้เราสมาทานศีลแปดกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีเช่นในวันนี้วันอุโบสถปกติเราก็ควรจะรักษาศีลห้าแต่วันุพระวันอุโบสถนี้เราควรจะรักษาศีลแปหรือถ้าจะรักษาทุกวันได้ยิ่งดีใหญ่ เช่นอุบาสิกาบางท่านอยู่บ้านถึงแม้จะไม่ได้ไปอยู่วัดแต่ก็โกรศีรษะแล้วก็ถือศีลแปดอยู่แบบแม่ชีนี่คือวิธีการที่จะกำจัดนิวรณที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาจิตใจนอกจากศีลข้อที่6แล้วก็ต้องถือศีลข้อที่7 ก็คือให้ละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นร้องราทางเพลงดูหนังฟังเพลงต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องพยายามอย่าไปหาความสุขแบบนี้หรือหาความสุขจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆใช้เครื่องสําอางใช้น้ําหอมแต่งหน้าทาปากนี่เราก็จะต้องตัดไป เพราะมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตจิตใจไม่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาจิตใจมีแต่จะทวงความเจริญของจิตใจและประการที่ข้อข้อที่8ก็คือให้นอนบนพื้นไม้คือไม่ให้นอนบนฟูกหนาหนาให้นอนปูเสื่อหรือปูผ้าบนพื้นไม้เพื่อจะได้ไม่นอนมากจนเกินไป ร่างกายเวลาต้องการหลับนอนนี้ไม่สำคัญว่าจะนอนที่ไหนก็นอนได้ถ้าคพลังว่วงมากๆนี้นอนกับพื้นก็นอนหลับได้นอนบนฟูกก็นอนหลับได้แต่ต่างกันตรงที่เวลาตื่นแล้วถ้าตื่นแล้วถ้าถ้านอนบนบนไม้พื้นไม้ก็จะรีบลุกขึ้นมาทันทีเพราะไม่อยากจะนอนอีกมันแข็งแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆพอร่างกาย ได้พักพอเพียงนะ้วพอตื่นขึ้นมากิเลสตัณหายังไม่อยากจะลุกยังอยากจะนอนต่อเพราะมันนุ่มมันสบายมันมีความสุขก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติและเมื่อนอนมากๆก็จะมีความขี้เกียจมากร่างกายจะไม่มีกำลังนอนมากๆนี้แทนที่จะมีกาลังกับทำให้ขี้เกียจ ไม่มีกำลังแต่ถ้านอนพอดีพอลุกขึ้นมาแล้วจะมีกำลังวังชานี่คือวิธีที่เราจะสามารถเอาชนะกามฉันทะคือความยินดีในกามได้เราต้องพยายามสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปดูอย่าไปฟัง ในสิ่งที่จะทำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาถ้าจะดูจะฟังก็ให้ดูในสิ่งที่จะทำให้กิเลสตัณหามันสงบระงับเช่นดูหนังสือธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างที่ท่านกำลังฟังกันอยู่ในขณะนี้นี่จะเป็นวิธีที่จะปราบกิเลสจะทำให้กิเลสตัณหาสงบตัวลงแล้วจะทำให้จิตมีความสงบ พอจิตมีความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่ชนะความสุขทั้งหลายความสุขที่ชนะความกามาสุขอยู่ในใจของเราอยู่ที่การตัดนิวรคือกามฉันทะนอกจากกามฉันทะแล้วก็ยังมีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การที่เราจะแก้ความลงเเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ว่าพระอริยสงฆ์ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่หรือพระพุทธเจ้าของเรานี้มีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงนิยาย ที่เขาแต่งขึ้นมาหลอกพวกเราวิธีที่เราจะแก้ความดังในสงสัยนี้ได้ก็คือเราต้องศึกษาต้องอ่านหนังสือจากต้นฉบับคือพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วก็มีการสืบทอดมีการจดจำมาแล้วก็ถ่ายทอดกันมา แล้วตอนหลังก็มีการบันทึกไว้เป็นหนังสือขึ้นมาหนังสือในพระไตรปิฎกนี้เป็นหนังสือที่เราจะสามารถเชื่อได้อย่างเต็มที่ร0อยเปอร์ซอ่านไปแล้วจะทำให้เราหายสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่หรือถ้ามีพระที่เป็นพระสุปทิมันโน ถ้า ป, ปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติชอบก็ไปเรียนไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมของท่านก็ได้ก็จะกําจัดกำจั ด, ด, จดความลังเลสงสัยได้เพราะท่านรู้จริงเห็นจริงความจริงที่ท่านพูดออกมานี้จะไม่ทําให้เราลังเลสงสยัยเพราะท่านไม่ได้พูดด้วยความลังเลสงสยัยหรือไม่ได้พูดด้วยความด้นเดา เหมือนกับเวลาที่เราถามทางคนที่ไม่รู้เวลาเขาบอกทางเราเราจะรู้เลยว่าเขาไม่รู้ทางนอกจากจะพูดแบบไม่แน่ใจอาจจะไปทางนี้นะอาจจะไปทางนี้นะอาจจะต้องตรงไปนะมีแต่อาจจะอาจจะอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาไม่รู้จริงฟังไปแล้วก็จะไม่กำจัดความลังเลสงสัยได้แต่ถ้าฟังจากผู้ที่รู้จริงรู้ทางเขาก็จะบอกเลยว่า ตรงไปนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะแล้วก็เลี้ยวขวานะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เพราะเขารู้ทางเขาไปมาแล้วถ้าได้ยินได้ฟังจากผู้ที่รู้จริงๆจะเป็นแบบนี้จะทําให้เราหายสงสัยได้ถ้าเรายังมีความสงสัยอยู่เราก็จะไม่มีความมั่นใจในการปฏิบัติตามนั่นเองเราก็ไม่ไม่รู้ว่าปฏิบัติไปแล้วจะถูกหลอกหรือเปล่าก็จะไม่กล้าปฏิบัตินะ ดังนั้นนี่ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งคือความลังเลสงสัยก็ต้องแก้ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพระเจ้าจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือจากพระไตรปิฎกนี่คือวิธีที่จะทำให้เราพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดำับเราต้องกาจัดนิวร์ต่างๆที่เป็นอุปสรรค นอกจากการมฉันทะแล้วความลังเลสงสัยแล้วก็ยังมีความง่วงเหงาเหงานอนความเกลียดครางและมีความฟุ้งซ่านที่เป็นอุปสรรคเวลาที่เราง่วงเหงาเหงานอนนี้เราก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิได้พอนั่งสมาธิแล้วก็สับประงกวิธีที่แก้ก็คือต้องอย่ารับประทานอาหารมากจนเกินไป รับประทานให้พอกับความต้องการของร่างกายก็พอหรือไปอยู่ในป่าช้าไปอยู่ที่น่ากลัวจะไม่ง่วงนอนพระบางรูปท่านไปอยู่ไปนั่งประสมาธิที่ป่าเขีวถ้าหลับก็จะทิ่มลงไปในเหวเลยหัวจะทิ่มลงไปในเหวเลยถ้าอย่างนั้นได้รับรองได้ว่าจะไม่ง่วงนอนอย่างแน่นอน ส่วนความฟุ้งซ่านนี้ก็ต้องหาวิธีดับความฟุ้งซ่านด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรืออย่าไปคุกคีกันอย่าอยู่ด้วยกันให้ปีกวิเวกเวลาอยู่ด้วยกันคุยกันแล้วจะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาไดา้น้องพยายามอยู่ตามลาพังแล้วขณะอยู่ตามลาพังก็ให้มีสติ คอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเวลาคิดก็ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปแทนหรือสวดมนต์ไปแทนไม่นานความฟุ้งซ่านก็จะสงบลงไปได้นี่คือการแก้นิวรณ์ของความง่วงเหงาเหงนอนและความฟุ้งซ่านและนิวรประการสุดท้ายก็คือความ เหงุดหงิดใจลำคาญใจก็ต้องมีความเมตตาเวลาใครทําให้เราหงุดหงิดใจก็ต้องรู้จักให้อภัยอย่าไปถูเท้าเกิดเคืองเขาใครก็พูดอะไรไม่ดีหรือทําอะไรที่เราไม่ถูกไม่ชอบใจก็อย่าไปถือสาเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่อย่าไปยุ่งกับเขา ปล่อยให้เขาทาไปตามเรื่องของเขาปล่อยให้เขามีให้กรรมเป็นผู้ตัดสินเขาก็แล้วกันเขามีกรรมเป็นของของเขาเขาจะทําอะไรไว้เขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่ต้องไปเป็นสารตัดสินเราไม่ต้องไปลงโทษเขาปล่อยให้กรรมนั้นลงโทษเขาจะดีกว่า้าไมเช่นนั้นล้วใจเราจะหมดยิด จะมีโมโหโทโสถ้ามีความหงุดหงิดโมโหโทโสแล้วก็จะนั่งสมาธิไม่ได้ทำจิตให้สงบไม่ได้นี่คือเรื่องของนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเราก็ต้องพยายามกำจัดมันให้ได้ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถทำธุระขั้นที่สองคือวิปัสสนาธุระได้เรา แต่ถ้าเรากําจัดนิวรณ์ทั้งห้านี้ได้เราจะสามารถทําธุระทั้งสองประการได้อย่างเป็นที่ทำำําคันธุระคือการศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ทําวิปัสนาธุระคือทำเอาทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราก็จะบรรลุธรรมเราก็จะหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือธุระของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือขรหัตหรือขรลวาดต้องทำกันด้วยกันทุกคนถึงจะสามารถรับรางวัลที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับพวกเราได้จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามปฏิบัติภาวิติทั้งสองพระการนี้ไป ให้มากขึ้นไปตามลำดับเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแค้วแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง